เดี๋ยวทำสมาธิกันสักพักนะทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกของเรา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 ทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออก อาณาปาณสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่เมนิสงใหญ่ผลที่เขาหวังได้สองอย่างคืออลาหาตผลในทิฏฐธรรม หรืออาาคามีผลถ้ายังมีอุปาธิเหลืออยู่ ถ้าจิตของเราเคลื่อนจากลมหายใจไปให้ละความเปลินดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิม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 ที่เป็นนกไปคิดเรื่องใดนั่นคือจิตกำลังก่อภพและกำลังก่อชาติการเกิดกำลังสร้างสถานที่เกิดแล ะ, จะเจริญงอกงามไปบูณในสถานที่เกิดนั้นที่เรียกว่าชาติ <c oughs> และจะตามมาด้วยชราและมรณนะ และความเปลินให้จิตมาเกาะอยู่กับที่ที่เดียวคือลมหายใจลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย ที่รู้ลมก็ชื่อว่ารู้กายเหมือนกันเป็นกายยักขตาสติรัศดาให้ตั้งจิตพอดีพอดีเปรียบเหมือนการจับลกด้วยมือ ดีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือหายใจเป็นปกติธรรมดาแค่เอาจิตมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออก นอกจากสมาธิก็ตั้งจิตไปไม่ตายให้แกสัพสัตว์ทั้งหลาย จากนั้นก็ออกจากสมาธิมาการรักษาพระบาลครับขอทำปัญหาครับการนั่งสมาธินี่ฮะบางคนก็บอกว่าขาขวางทับขาซ้ายนั่งขาสมาเพดยิ่งได้ยิ่งดี ยมก็ไม่ถนัดทั้งสองอย่างนะครับพอมาศึกษาพุะทูวจนะพระเจ้าตรัสว่าตั้งกายตรงขูาขาเข้ามาด้อดรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ก็ทําแค่นั้นไม่ได้บัญญัติเรื่องต้องขวาทับซ้ายหรือต้องซ้ายทับขวาหรือว่าต้องขัดเพชรอะไรนี่อันนี้ก็พูดกันภายหลังนะพระเจ้าตรัสแค่ว่านั่งคูข่ขาเข้ามาในรอบตั้งกายตรงนดะำรงสติมั่นหรือดำรงสติเฉพาะหน้า ถ้าเราคู่ขามาแล้วเราถนัดแบบซ้อนเท้าหรือเหลื่อมเท้าก็ได้นะอย่างเวลานอนเนี่ยผู้เจ้าบอกนอนตะแคงขวาเท้าซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าก็ยังให้มีการเหลื่อมเท้าได้นะวันนั้นเวลานั่งเราจะเหลื่อมเท้าก็ได้หรือว่าจะนั่งซ้อนเท้าก็ก็ได้มือไม่ได้บัญญัติบอกเอาไว้ว่ามือต้องวางอย่างไรนะก็วางมือตามสะดวกนะ สายตาก็ไม่ได้บอกว่ า, าต้องลืมตาหรือหลับตานะแต่ปกติผู้เจ้าบอกการเจริญอนาปาจะเป็นเหตุให้ตาไม่ลำบากและกายไม่ลำบากการที่ตาลำบากก็คือการที่เราเปิดตากว้างจะทำให้ตาเราแสบลำบากนะและไปสังเกตดูผู้เจ้าจะสอนพิสูจน์เนี่ยให้เป็นผู้มีปกติมีสายตาทอดลงตำ่ำนะนั้นถ้ายมทอดสายตาลงต่ำเนี่ย ตาจะสบายนะเพางั้นเพื่อให้ตาไม่ลำบากเนี่ยก็ชะทอดลงต่ำก็ได้หรือหลับตาก็ได้นะแล้วแตนนไ่ไม่จำกัดน้ำวุนมีพระสูตรหรือเปล่ามีค่ะคาราวาชันเลอค่ะ ออืือปกหน้าค่ะปกหน้าอะไรเหรออ๋อว่าจะไงทิศทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบาแห่งกรรมสามอย่างนี้แหละทำให้เรามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากคือ หนึ่งทานการให้สองธรรมะการบีบบังคับใจสามสัญญมะการสำรวมระวังดังนี้พะ อ, อาจารย์คะเวลาสมมุติแม่ไปซื้อของให้วนนะคะ่ะแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวค่อยซื้อ ต้องใช้ธรรมะการปีบบังคับใจค่ะใช่แล้วแม่ไม่ยอมซื้อให้นะก็ต้องอดทนหน่อยรู้สึกอัอาตมาสมัยเท่าน้ำบุญเนี่ยอยากได้ได้รถเด็กเล่นเล็กๆเนี่ยนะก็ขอให้แม่ซื้อแม่ไม่ยอมซื้อให้นะ ก็เลยนั่งร้องไห้ตรงนั้นเพราะว่าไม่รู้ท ร, รมาแต่นำบุญก็ไม่เป็นนะนำบุญสบายแล้วบีบประคับใจเอาน ะ, อ, ะอดทนนะนนอันนี้ก็จะทำให้เราเป็นผู้มีขันตินะพเจ้าบอกขันติประะมังตะโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะแสดงว่าเราได้ เขากิเลสละตากระทบรูปเกิดความพอใจเกิดความอยากได้ใช่ไหมแต่เราละความอยากได้นะเราก็ได้แม่ก็สบายใจเราก็ได้ขัดเก่ากิเลสนะไม่ถามเหตุผลแม่แม่ทำไมไม่ซื้อให้ แม่จะบอกว่ามีเยอะแล้วก็ได้นะส <laughs> าวพงศ์ค่ะอือฮะอ่าฮะอานาปนสติหน้าสีสบิบหกที่เขียนพี่บอกว่าพิสุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกาย ในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้าง <c oughs> ในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้างนี้หมายความว่าไงคะฮะก็ายในภายในภายนอกเนี่ยพุทธเจ้าเคยอธิบายนะยิงยมไปเห็นเห็นศพเห็นอะไรเนี่ยนะในเรื่องของอสัมปัชญะสิบก้าฐานเนี่ยฐานที่ตั้งของความรู้ตัวสิฐานในนั้นจะมีเรื่องของ อสุภะที่เป็นในภายนอกนะก็จะเห็นศพขึ้นอื่นบ้างนะเห็นศพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะหรือแต่เอ็นบ้างเป็นกองกระดูกบ้างกระดูกเลี่ยายไปบ้างกระดูกศรีรษะไปทางกระดูกแขนไปทางอย่างนี้อันนี้ก็ <c oughs> อ่าเป็น เรียกว่าอสุภะหรือการพิณากายในภายนอกความไม่งามของกายแต่ในภายนอกเนี่ยพระเจ้าจะจบด้วยการที่บอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยน้อมเข้ามาในกายว่ากายเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะจากนั้นก็มาพิณากายในภายในก็มีพวกกระดูกนะหนงังน้ำเลือดเลืองนะแล้วก็พิณาไปอันนี้กายในภายในนะกพิณาทั้งสองอย่าง โอาการพระอาจารย์ขอจะถวายพระสูตรเพื่อจะนําไปสู่คําถามที่อยากจะเรียนถามพระอาจารย์มานานแล้วแต่ไม่หยุดการได้ถามเนือ่องจากว่ายังไม่ไม่มีเหตุที่จะถามว่าจะถามพระอาจารย์ว่ายอย่างไรอง <c oughs> ขอนอมน้อ ม, อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง จากหนังสืออานาปานสติหน้า47เมื่อเจริญอานาปานสติก็ชื่อว่าเจริญการขยักตาสติพิสุทั้งหลายในกรณีนี้พิสุออกสู่ป่าหรืออยู่โคนไม้ห ร, หรืออยู่เรือนว่างก็ตาม นั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเ mm. มื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเ mm. มื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น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 ว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้รำงับหายใจออกเมื่อพี่สูนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในการกระทําเช่นนั้นอยู่ย่อมละความย่อมละความระลึกและความดําริในการอาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความระลึกและความดำ่รินั้นได้จิตของเธอจิตของเธอย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบระงับด้วยดีมีธรรมอันเอกผุดขึ้นมีสมาธิอยู่ในภายในนันเทียวพิสุทั้งหลายแม้นอย่างนี้ ภิสูจนนั้นจ่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญกายะคตาสติเอวังผมขอโอากาสพระอาจารย์เรียนถามคําถามซึ่งติดมาประมาณสักสองเดือนแล้วนะครับอฮซึ่งก็ยังไม่มีเหตุผลทึ่จะมาถามพระอาจารย์เนื่องจากว่ากายะคตาสติเป็นส่วนที่จะเป็นคําถามที่จะเรียนถามพระอาจารย์แต่ระหว่างนั้นระยะสองเดือนมานี้ผมก็ฟังพระอาจารย์ บอกสอนที่สอนมาก็จดเอาไว้อ่านจากหนังสือก็จดไว้ฟังจากซีดีของพระอาจารย์ก็จดเอาไว้แล้วก็ฟังจากญาติธรรมซึ่งมาปฏิบัติแล้วก็บอกสอนการคุยกันก็จดไวนะ้ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณสักสิบกว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับกายคตาสติแต่ก็จดไว้เฉยๆเพราะยังไม่ทราบว่าจะตั้งามว่าอย่างไร ที่เกี่ยวข้องกบคำถามขณะนั้นก็คือเมื่อสองสามวันนี้ได้ฟังซีดีของพระอาจารย์คงจะเป็นพุพทธสามไททายไททายไท้ายแตไม่ได้ยินคำถามแต่ได้ยินคำตอบคือพระอาจารย์ตอบว่ากากายะคตากิะสิก็คือเมืจอยต่เตอบก็ผมก็รู้สึกว่าเออสว่างในใจทันทีว่าอ๋อคำตอบคือคำตอบอันนี้ก็คำถามก็คื อ, อ ม, มีอยู่ว่า กายคตาสตินั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรอ uh huh. เช่นการเจริญอานาปานสติ uh huh. การเจริญฌานทั้งสี่ uh huh. การเจริญสติอธิษฐานการงาน uh huh. uh huh. การสํารวมอินทรีย์อ uh huh. การที่มีจิตอยู่กับลม uh huh. การเจริญอนุสติการเจริญอสุภะ การมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมการเจริญส ต, ติปัฏฐานสี่การเดินจงกลมและการปฏิบัติการฝึกคนของพระพุทธเจ้าตลอดจนเสาหลักเสาเขื่อนที่พระพุทธเจ้าได้อุปมาวุปไมในการล่ำตัดทั้งหกไปคำตอบซึ่งผมไม่ทราบว่าจะถูกหรือไม่ถ้าถูกไม่ถูกขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ผมได้มีโอกาส นําไปเวลัต่อไปก็คือว่าคําตอบก็คือว่าจิตต้องอยู่กับกายใช่ใช่เพราะฉะนั้นกายาขตาสติกับสิ่งที่ผมยกมาทั้งนั้นก็คือจิตคําตอบคือจิตต้องอยู่กับกาย อ, าอาส่วนเสาเขื่อนเสาหลักซึ่งพระอาจารย์ได้ยกหลายครั้งหลายหนก็คือเสาเขื่อนเสาหลักเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิต อ, อทั้งหมดนี้ไม่ทราบเป็นคำตอบที่ที่ผมพอใจนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ับก็ใช่ ก็พระพุจ้าให้ตั้งจิตอยู่กับกายเนี่ยจิตจะวนอยู่ในสี่ธาตุวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่การทำงานของจิตจะทำอย่างนี้นระพุทธเจ้าจึงเรียกสี่ธาตุนี้ว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณ <c oughs> สังเกตได้เวลาเรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่เนี่ยเราตั้งจิตอยู่กับลมพระศาสดาบอกว่าวลมหายใจคือกายกายคือลมลมคือกายอันหนึ่ง นั้นขณะที่เราอยู่กับลมเนี่ยจิตไม่ได้อยู่ตลอดบางทีเคลื่อนไปปั๊บมันเคลื่อนไปที่ไหนบ้างเช่นไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกข์บ้างกลับมาที่กายบ้างมันจะวนไปวนมาอยู่4ีธาตุนี้นั้นเราตรวจได้2000กว่าปีที่แล้วอาการจิตมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ผ่านมา 2,000 กว่าปีมนุษย์ก็ยังมีอาการจิตอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมธรรมชาติทั้ง5คือวิญญาณถิติและตัววิญญาณนี้ คือสิ่งที่ผู้หลงเนี่ยหลงยิดว่าเป็นตัวเราของเราวิธีการในการที่จะรู้จักมันความจริงของมันคือต้องเอาวิญญาณหรือผู้รู้เนี่ยมาเกาะกับที่ที่เดียวนะขันใดขันหนึ่งโดยหลักพูะเจ้าก็ให้เกาะอยู่กับกายนั่นเองนะก็ด้วยอานาปานสติเท่ากับเนี่ยเราเนี่ยได้เอาจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยเกาะอยู่กับกาย แล้วพยายามละการเกิดในนามธรรมอีก3าตัวที่เหลือซึ่งจะเหมือนกับสมาธิภาวนาประเภทที่3ที่ผู้เจ้าบอกว่าเห็นสัญญาเห็นเวทนาเห็นวิตกหรือสังขารเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าสมาธิภาวนาที่เป็นไปนเพื่อสติสัมปชัญญะสติเราจะไวนะเวลาจิตมีการเปลี่ยนแปลงหลุดจากลมหายใจไปปั๊บเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวว่ามีการดับแล้วมีการเกิดแล้วแล้วก็พยายามระลึกได้กลับมาที่ กายเหมือนเดิมนะนั้นพระองค์จึงบอกกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักจะสอนการสำรวมอินทรีย์ก็ให้สำรวมมาเหมือนเตาหดเอเววะไว้ในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมนุวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนานะเราใช้อนาปานาสติหรือกายยกตาสติก็เอาจิตมาตั้งอยู่กับกายเข้าไว้อย่างนี้นั้นจะ ก, กีบพระสูตรก็ทำเนี่ยเป็นจานวนมากเลยพเจ้าจะให้เอาจิตเนี่ยตั้งอยู่กับกาย พระองค์ตรัสว่ากายยัตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อบ้านชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าเราลืมเอาจิตตั้งอยู่กับกายเรากําลังลืมอมตะลืมนิพพานนะพระองค์บอกชนเหล่าใดบริโภคกายยกตาสติบริโภคคือเอาจิตอยู่กับกายชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะนั่นแหละเรากําลังได้อมตตนะเราจะเห็นว่าพระองค์ตรัสในลักษณะ ของการเอาจิตตั้งอยู่กับการเนี่ยบ่อยมากนะแล้วก็สันเสริญคุณของกายยักตาสติค่อนข้างสูงมากอย่างนี้นะนั้นพระองค์จึงบอกว่ากายนี้เนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะนั้นโดยหลักจำง่ายๆคิดอะไรไม่ออกเอาจิตตั้งอยู่กับกายเขาไว้กายมีอะไรขณะที่เราเดินเรารู้อยู่กับการเดินนี่เรียกว่าการรู้ตามการเคลื่อนไวหวริบบท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 ดูจิตอยู่ตลอดเวลาว่าจิตเนี่ยหลุดจากกายไปเมื่อไหร่อีกอุปมาหนึง่งพระศาสดาบอกว่าถ้าจิตเธอเนี่ยหลุดจากกายไปเปรียบเหมือนถูกเพชฌฆาตเนี่ยเอาดาบฟันคอขาดนั่นคือเราตายนะและถ้าจริงๆขณะนั้นเนี่ยร่างกายตายไปในขณะนั้นวิญญาณเราเนี่ยไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์นั้นน่ะจะเป็นอัตภาพใหม่ของเราต่อไปนะ เพราะอุปทานเนี่ยในวิญญาณเนี่ยมันมาก่อนแล้วก็วิญญาณเนี่ยซึ่งมีผู้หลงยึดอยู่เนี่ยเข้าไปรู้อารมณ์ใดอารมณ์นั้นคือภพคือสถานที่เกิดนั่นเองนะซึ่งจิตจะสร้างความเจริญงอกงามคือสร้างชาติต่อไปในสถานที่เกิดนั้นหรือเรียกว่าจิตมีสัญญคะจิตจะผูกกับอารมณ์นั้นต่อไปนั้นถ้าเราไม่ละความเพลินไม่เอาจิตตั้งอยู่กับกายกายนี้จะไม่มีวิญญาณครอง นะเซียววินาทีนั้นนั้นถ้า <c oughs> กายไม่มีวิญญาณครองนานๆในที่สุดกายนั้นตายแน่นอนนะด้วยอุปมาเปรียบเหมือนสัตว์ที่เกิดในคันถ้าวิญญาณก้าวลงสู่คันแล้วจักแตกสลายลง <c oughs> ผู้เจ้าถามอานนท์นามรูปจับปรุงตัวต่อได้ไหมพระนท์บอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องนั้นผู้เจ้าให้รู้ว่ากายเราเนี่ยมีวิญญาณคลองถ้าไม่มีวิญญาณคลองเนี่ยกายก็แตกสลาย นั่นที่พระเจ้าอุปมาเนี่ยตรงเป๊ะนะพระองค์จึงให้รักษากายนี้ไว้ก่อนแล้วเมื่อเวลาน่ยจิตหลุดไปคิดเรื่องใดก็ตามให้ละให้ทิง้งให้ไหวที่สุดนะความรู้ตัวความเร็วในการละความเพลินจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราจะรู้ตัวเร็วขึ้นนะเราคิดอยู่ปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าคิดอะไรกุศลอกุศลกุศลเอาออกไปนะอะกุศลเอาออกไปกุศลเอาเข้ามา การทำการพูดทําตามอะไรทําตามกุศลเป็นกุศลวัดจากอะไรไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้เนี่ยหลักการผู้เจ้า ว, วางไว้หมดนะนั้นตัวกายยัตาสติจึงเป็นมรรควิธีที่พระศาสดานเนี่ยสรนเสริญมากสอนบ่อยนะและเมื่อต้องการจะหลุดพ้นในขณะที่โยมเนี่ยเอาจิตตั้งอยู่กับกายนะขณะนั้นเนี่ยโยมละ ก, การเกิดในสามธรรมชาติโดยอัตโนมัติเลย พอจิตตั้งอยู่กับกายจะเหลือการเกิดที่เดียวคือเกิดในกายรู ป, ปรขันธ์นี้เวลาหลุดไปปั๊บลัความเพลินกลับมามันจะเร็วขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้น <c oughs> พอยมละความเพลินได้เร็วดุจกระพริบตาพระศาสดาก็ชมเดียม ว, ว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเห็นไหมดูไปตามลําดับขั้นน ะ, ะนั้นในที่สุดเนี่ยจิตโยมจะอยู่กับกายค่อนข้างมาก จิตจะไม่ค่อยปรุงแต่งไปในเรื่องอะไรปรุงแต่งก็รู้รู้ก็พยายามละอะไรไม่จำเป็นเป็นพวกขยะความคิดโยมก็จะทิงท้งทิ้งทิ้งไปได้อะไรที่เป็นอกุศลการไปบาทเบ็ดเบียนโยมก็จะละไปนั้นในที่สุดเมื่อลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเกิดขึ้นโยมสามารถดำรงจิตอยู่ในกายได้จนทั้งกายแตกทําลายวิญญาณขันหรือจิตจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ เพโยมทิ้งการเกิดในนามธรรมสามขันธ์อยู่ตลอดเวลาทั้งชีวิตนะเมื่อวิญญาณหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ผู้เจ้าบอกจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถึงมัน่นด้วยอุปทานนะการเกิดก็จะไม่มีคนคนนั้นก็จะรู้ว่าการเกิดเนี่ยสิ้นแล้วน ะ, ะไม่มีละการเกิดนั้นถ้าคนคนนั้นเนี่ยหลุดพ้นก่อนนะเขาก็จะรู้ว่าการเกิดในจิตเขาไม่มีอย่างเนี้ย ขณะที่จิตเกิดปั๊บเขาจะรู้ตัวแลวเขาจะรู้ตั้งแต่แรกว่าขณะที่จิตเกิดเนี่ยเขาไม่มีอุปทานในนั้นไม่มีความยึดถือว่าทุกขณะจิตเป็นตัวเขาของเขาเพราะเขาเห็นตั้งแต่วิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปส่วนเราพระเซกขะหรือปุดุชนเราจะเห็นทีหลังทุกทีเราจะไม่ค่อยทันตอนจิตมันเกิดพเพลินไปแล้วสักพักเพิ่งมารู้ตัว หรือคอยจ้องดูการเกิดกับทันเกิดแต่ดับเมื่อไหร่ไม่ทันดับบางทันดับไม่ทันเกิดมันจะไม่ทันทั้งวงรอบนะอย่างนี้นั้นจิตคนทั่วไปหรือพระเสขก็จะยังมีความหลงอยู่ในขณะจิตแห่งวิญญาณที่เข้าไปเกาะอารมณ์นะไม่สามารถทันตลอดทั้งวงรอบแต่พระหังหารจะทันตลอดทุกวงรอบนั้นถึงแม้จะจิตเป็นอกุศล พระานก็รู้ว่าอันนั้นไม่ใช่ตัวท่านของท่านอากุศลก็ไม่ใช่ผู้ที่ไปรู้อากุศลก็ไม่ใช่ไม่มีความเป็นตัวท่านของท่านในขันทั้งห้าทั้งหมดเลยอันนี้เป็นหลักการที่พระศาสดาบัญญัติไวนะ้นั่นก็คือเอาบิญญาณขันหรือจิตเราเนี่ยนะมาเกาะกับขันขันเดียวก่อนคือรูปกายแล้วพยายามทิ้งนามธรรมสามตัวที่เหลือให้เร็วให้ไวแต่ถ้ายังทำงานอยู่ ให้ทิ้งนามธรรมที่เป็นอกุศลก่อนรักษานามธรรมที่เป็นกุศลไว้โยมก็แต่งทํางานได้นะภายใต้การไม่ต้องคิดอกุศลแล้วก็ทํางานตามความคิดที่เป็นกุศลต่อไปจากนั้นก็พยายามฝึกทิ้งกุศลนะพยายามตั้งอยู่กับกายซึ่งจริงๆการตั้งอยู่กับกายคือกุศลอย่างสูงสุดแล้วที่พระุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครกล่าวว่าสติปัฏฐานสี่คือกองกุศลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้อง นั้นแค่เรารู้ลงในใจนั่นคือสุดยอดกองกุศลแล้วนะก็ะที่สงสัยอยู่ก็คือว่าในประสูตรต่างๆที่ผมยกมานั้นะจะมีรูปแบบในการปฏิบัติอยู่แต่ผมเนี่ยก็ไปคข้ทวนดูกายยะขจาสติว่ามันคือรูปแบบอยู่ตรงไห น, นก็เลยก็สวนทางกับที่ททตัวเองคิดจริงๆกายยติก็คือเอาจิตไว้ใ้กายแต่ไม่มีรูปแบบอะไรรูปแบบทั้งหมดคืออยู่ในประสูตรนั้นทั้งนั้น นั่นก็ค <Okay. S 2> ือการเจริญกายาคตาติทั้งสิ้นใช่ใช่นี่ขอยากท่านถามอาจารย์ประเด็นที่สองครับ uh huh. อเพราะประเด็นที่หนึ่งมาประเด็นที่สองก็ตามมาว่าผู้เจ้าท่านตัดไว้ว่าให้สําเนีจอาไว้ในใจให้ดีอื uh huh. ในสิ่งต่างๆที่ท่านกล่าวไว้ท่านกล่าวว่ากายาคตาสติของของเราทั้งหลาย จะเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทําให้มากอกระทาให้เป็นยานเป็นเครื่องนําไปอือกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้ออือเพียรตั้งไว้เนื่งเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารบสม่ําเสมอด้วยดีอืออันนี้ผมเรียนว่าเป็นข้อปฏิบัติอยากให้พระอาจารย์ช่วยกล่าวเสริมว่าการปฏิบัติอย่างไรกันนี้แหละ การที่เราจิตตั้งอยู่กับกายเนี่ยนะเพียนปารกด้วยดีเพียนปารกสม่าเสมอนะนะก็รทำโดยรอบครอบทำโดยแยบกายนะพยายามตั้งไว้เนืองๆนะพยายามทำสม่าเสมอเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องอยู่กับลมหายใจเอาจิตอยู่กับกายให้มากให้บ่อยให้สม่าเสมอให้ต่อเนื่องนะนั่นคือเรากำลังลดการ การฟุ้งของจิตที่จิตเนี่ยฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆใน4ทธาตุเนี่ยนะให้เหลือธาตุเดียวให้มากที่สุดการทำอย่างนี้ได้ประโยชน์อะไรอีกเราจะเห็นหนึ่งจิตมีการเปลี่ยนตลอดเวลาเราเริ่มสรุปได้แล้วว่าจิตไม่เที่ยงเห็นนะพระเจ้าสร้างอุบายวิธีคือเอาจิตมาอยู่ที่ที่เดียวดูสิมันจะอยู่ได้ตลอดไหมปรากฏว่ามันอยู่ไม่ตลอดมันจะดับ พยายามทำเข้าไปสมาธิตั้งมั่นให้มากให้มากให้มากที่สุดก็ดับอยู่ดีจะเป็นสมาธิระดับใดก็ตามในที่สุดจิตก็จะมีการดับไปเป็นธรรมดานั่นแสดงว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเกิดได้ดับได้เราก็จะเห็นอริยสัจของจิตว่าจิตนั้นเกิดดับมีสมุทัยและมีนิโรธสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับและเมื่อใครเห็นสมุทัยกับนิโรธ คนนั้นจะเข้าใจว่าจิตไม่ใช่ตัวเราของเรานะเพราะขณะที่มันเกิดและมันดับไปเราผู้สังเกตเนี่ยไม่ได้ดับไปตามมันนั่นแหละเรากำลังเข้าถึงสภาวะธรรมอันไม่ตายนะซึ่งจริงๆทุกคนก็มีอยู่แล้วผู้ที่สังเกตสิ่งที่เกิดดับเนี่ยผู้นั้นยังไม่ได้เกิดดับไปด้วยนะแต่ผู้่งผู้ที่สังเกตสิ่งที่เกิดดับเนี่ยมันถอยมาทีละขั้น แรกๆเราสังเกตเห็นรูปกายเกิดดับเรายังใช้วิญญาณขันสังเกตมันอยู่ต่อมาเรามาสังเกตเวทนาเกิดดับสัญญาสังขารเกิดดับเราก็ยังใช้วิญญาณเราเริ่มเข้าใจเรื่อยๆว่ารูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราเอ๊เ uffy, được, หลือวิญญาณหรือวิญญาณเป็นเราเราก็เลยต้องมาตรวจสอบวิญญาณดีว่าวิญญาณเกิดดับหรือเปล่า พอมาตรวสอบวิญญาณเกิดดับทีนี้นี่ขยับไม่ได้นะเพราะถ้าขยับไปคิดไปนึกอ่ะก็วิญญาณไปแล้วนะนั่นก็คือต้องทําจิตให้นิ่งมีอารมณ์อันเดียวแล้วดูซิว่าวิญญาณดับไปไหมก็คือนิ่งๆดูมันเฉยๆนะนิ่งอยู่กับกายจากนั้นเนี่ยมันก็จะดับให้เราเห็น ม, มันคือมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถอยู่กับที่ได้ แม้จะเข้าสัญญาเวททินิโรธสมาธิระดับที่9ที่สุดก็ดับอยู่ดีฉะ <c oughs> นั้นวิญญาณขันจึงถูกตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติได้ว่าเป็นของเกิดและของดับนั่นก็คือต้องมีคนมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งกําลังสังเกตวิญญาณขันที่เกิดดับอยู่ทํำยังไงเราจะเข้าถึงตัวผู้นั้นได้ก็กลับมาทําอย่างเดิมกลับมารู้กาย นะเพราะกายยังไม่ตายสิ่งที่ดับจากกายไปความรู้ที่ดับจากกายไปนั่นคือเราจะเห็นวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาตอกย้ําไปเรื่อยๆตอกย้ําไปเรื่อยๆให้เห็นวิญญาณเกิดดับเกิดดับเพราะเราไม่เชื่อเนี่ยเราหลงมานานว่าจิตเป็นเราเราเลยต้องเห็นจิตเนี่ยเกิดดับจิตเกิดดับเกิดดับด้วยการเอาจิตอยู่กับกายเพราะกายยังไม่ตายนะตราบใดที่กายยังไม่ตายเราจะเห็นจิตเกิดดับตลอดเวลาเลยนะนั้นณวันหนึ่งที่เราเข้าใจ เต็มที่ว่าจิตมันเกิดดับแน่นอนไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นน่ะเราก็จะไม่อยากได้จิตไม่อยากได้จิตดวงนี้เวลาจิตมันไปเกิดในลหมหายต่อไปเราก็จะไม่ไหลไปตามอารมณ์เราจะไม่อยากรู้ไม่อยากใช้จิตผู้นี้นะจนสุดท้ายพระเจ้าจึงให้สังเกตในขณะที่ความเบื่อหน่ายเราเต็มที่กับจิตแล้วเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่น และจางคลายจากกายไปดับถ้าคนคนนั้นปล่อยวางทันก็จะบรรลุธรรมเป็นพระหลานเลยนะคือเบื่อจิตนี้เต็มที่และไม่อยากไดนะ้นั้นจิตดวงใหม่ที่จะไปก่ออารมณ์ก็ไม่เอาจิตดวงเดิมดับไปแล้วก็ปล่อยดับเลยก็จะเข้าถึงผู้ที่สังเกตจิตเกิดดับก็คือวิมุตติยานัทสนะผู้นี้ ถูกฝึกมาจนหายหลงเดิมผู้นี้เป็นผู้หลงมีอวิชชาเป็นเครื่องกา้านมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเมื่อปฏิบัติตามมรรคแปดเสร็จแล้วผู้นี้ก็จะหายหลงมีวิชาเกิดขึ้นผู้เดิมนี่แหละที่เคยหลงอยู่ก็จะหายหลงนะเมื่อหายหลงแล้วผู้เจ้าก็จะเรียกว่าวิมุตติยาทัศนะผู้รู้ในวิมุตตนะ์ผู้นั้นก็จะเข้าถึงสภาวะนีนะ้ไปตลอดกาลเพราะ ฝึกมักแปดมาเต็มที่เชื่อมั่นแล้วว่ากันห้าเกิดดับไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ซึ่งในทั้งหมดเนี่ยจะมีพระสูตรหมดพูะุทธเจ้าจะอธิบายไว้ทั้งหมดแต่ธรรมามาันรวบพระสูตรทั้งหมดเนี่ยอธิบายมวนเดียวให้โยมเข้าใจแต่ดีที่สุดคือโยมเข้าไปอ่านพระสูตรนั่นนะอ่านคำพระพุทธเจ้าเนะี่ยแล้วค่อยๆพิณาไปเป็นขั้นเป็นตอนนะก็จะได้ความชัดเจนอย่างนี้นิดเดียวครับอาจารย์ <c oughs> หลังจากาฟังพระอาจารย์เทศในที่ต่างๆแล้วอ่านหนังสือแล้วหรือเข้าใจเองแล้วเนี่ย <c oughs> เข้าใจว่า <c oughs> สิ่งต่างๆที่พระอาจารย์กล่าวสอนสักครู่นี้ย <c oughs> จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อใกล้จะดับทิศใกล้ที่จิตจะดับเท่านั้นใช่ไหมออไม่ได้ตลอดเวลาอยู่ยที่ว่านิพิทาความเบื่อหน่ายเนี่ยมากขนาดไหนนิพิทาวิลาคะนนามากขนาดไหนซึ่งเหตุของนิพิทาวิลาคะก็คือเหตุที่เราสร้าง เห็นการเกิดการดับนั่นเองเราจึงต้องเห็นเกิดเห็นดับเ็นเกิดเห็นดับเรื่อยๆเพราะนั้น อ, อย่าไปคิดว่าการเห็นเกิดเห็นดับแล้วมันไม่มีประโยชน์จริงๆมันเป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสโดยตรงเลยนะเจาะโดยตรงเจออาะอวิชชาโดยตรงนั้นเวลาเราโกรธมาไม่พอใจมาแล้วพระเจ้าให้ละนันที คนก็จะมักไปคิดว่าแม้ไม่ใช่เหตุผลเลยนะมันจะไปละได้ยังไงเพราะมองไม่เห็นประโยชน์ของการเห็นการเกิดการดับเวลายมละนั้นที่ปั๊บมันจะดับอารมณ์หนึ่งจะดับอารมณ์หนึ่งจะเกิดเห็นเกิดดับทันทีเลยนั่นน่ะทนเห็นเกิดดับอย่างนี้ไปเรื่อยเห็นโกรธเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่พอใจเกิดดับพอใจเกิดดับนะคิดกัดเกิดดับความจําเกิดดับทนเห็นอยู่อย่างนี้เรียกว่ายมจับถูกตัวแล้ว จับสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้านะบรรลุเร็วด้วยแล้วก็ถ้าเข้าใจคือเข้าใจม้วนเดียวเลยตัดได้เลยนะจบาขอขอคุณครับค่นะนมาสการครับอาจารย์คะอดีตโยมยังมีความข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสอนทำอนาปนัสตินะคะ ที่ได้กล่าวที่ในพุทธวจนะนะคะเเข้าใจว่าการหายใจเข้า <c oughs> ก็รู้ <c oughs> กําหนดรู้ <c oughs> ในเรื่องของลมหายใจที่พระอาจารย์ได้ได้กล่าวเมื่อกี้เข้าใจดีแต่ว่าตัวหนึ่งซึ่งอ่านแล้วยังคล่องใจตรงที่ที่กล่าวว่า เ, เมื่อหายใจเข้าแล้วก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกแล้วมีคํานึงที่บอกว่าเมื่อต้องทําการศึกษานะคะ ในเรื่องของเธอย่อมทำการศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงแล้วหายใจเข้าแล้วก็และเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงหายใจออกและมีคำอีกหลายคำนะคะที่ท่านได้กล่าวไว้ในพุทธวจนะตรงนี้เนี่ยอยากกลาบเรียนถามว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทำพร้อมกับอาานาปานัสเดียวค่ะ ใช่ทุกประโยคที่ที่มีอยู่ในนี้ขณะที่โยมเจริญอนาปานเนี่ยการศึกษาทําการฝึกหัดศึกษาศึกษาหรือศึกขาของผู้เจ้าเนี่ยก็คือศึกษาไปพร้อมกับการปฏิบัติเหมือนเหมือนว่ายน้ำโยมไม่ได้นั่งอ่านตำานํำราว่ายน้ําอย่างเดียวแต่ไปโดดลงน้ําเลยนะอ่าไปศึกษาที่สระน้ําเลยคือฝึกหัดศึกษาทําไปด้วย อันนั้นขณะที่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกโยมต้องให้ควรสังเกตไปด้วยมันเป็นอย่างไรเช่นโยมจะเห็นว่าลมที่ไหลเข้าไหลออกไม่มีความรู้อะไรเอ๊ะใครเป็นคนรู้ลมอยู่ใช่มอ่าเราจะสังเกตลว่ามีผู้รู้กับมีลมสองธรรมชาติต้องมีผู้ที่รู้ลมและต้องมีลมนะสองธรรมชาตินี้ทางานอยู่ด้วยกันใช่มอ่าก็มีรูป กับมีวิญญาณเห็นไะหยมได้ความรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างนี้เริ่มฝึกหัดศึกษานะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงยมรู้กองลมทั้งปวง <c oughs> จิตเหมือนรู้ลมทั้งหมดว่ากําลังไหลเข้าไหลออกเฉยเฉยอย่างนี้นะทําไกสังขารให้ลำงับนะสงบละไม่ปรุงแต่งลมว่าไม่ปรุงแต่งลมให้สั้นให้ยาวเบาแรงอะไร พอยอมสงบเนี่ยลมจะเริ่มเป็นจังหวะของมันรู้ลมเข้าลมออกมันจะหลายเป็นปกตินะเราก็เป็นการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทํากายสังขารใลนลำนับเพราะกายในที่นี้คือลมพอเพราะพระพุทธเจ้าตรัสตั้งแต่ต้นว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ชื่อว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย อ, อย่างนี้รู้ลมก็คือรู้กายก็มีคําที่พงตัดอีกหลายอย่างทำํำให สงบหรือว่าทำให้เกิดปิติตงนี้เราก็ในการนั่งพอดีทีฉันไม่ค่อยเข้าใจว่านั่งแล้วเนี่ยเราต้องระลึกถึงคำของพระองค์ไปด้วย<ม>ใช่ไหมเจ้าค่ะระลึกถึงก็ได้ถ้าเราต้องการสังเกตดูในแต่ละขั้นะนะ <c oughs> รู้ในแต่ละขั้นแล้วก็วางคำพูดแล้วก็รู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าแลออกๆ <c oughs> ถ้าสงสัยในแต่ละขั้นตอนก็นึกถึงคำพูดเจ้าอีกทีหนึง่ง ซึ่งการนึกถึงนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นประโยชน์ในขั้นต้นผู้เจ้าจะเรียกว่าเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาสัญญาในความจําของพระศาสดาคําพูดของพระศาสดามีประโยชน์มีความหมายหมดนะจะทําให้เราบรรลุธรรมการที่เราจะไปเกิดในภพเช่นภพบของเทวดาแล้วเทวดานั้นระลึกถึงบทแห่งคำธรรมของผู้เจ้าได้ก็สามารถบรรลุธรรมได้เลย คนสามารถที่จะฟังธรรมพระเจ้าและเข้าใจไปพร้อมๆขนาดนั้นแล้วก็บรรลุธรรมขนาดนั้นได้นั้นตรงนี้จึ ง, จงเรียกว่าเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาไม่ได้เสียหายอะไรแต่หลังจากนั้นเรามาระลึกถึงบทแห่งธรรมพระเจ้าแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็วางแล้วก็ทําตามอย่างนีนะ้นั้นการสั่งสมสุตตะได้ยินได้ฟังคำสัสดาพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นธรรมะที่เกื้อกูลต่อการเจริญอาณาปานสติ นะครับเรียนพระอาจารย์ดังอยู่นะครับเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีมนุษย์ปุถุชนส่วนมากจะมีกิเลสแล้วก็ทําบาปทําชั่วตลอดแล้วการที่มานั่งหรือว่ามานั่งสมาธิที่ได้ทราบถึงพุทธวจนะแล้วยัง มีการยึดติดในเรื่องของ uh huh. บากที่ตัวเองทำ uh huh. แล้วก็คิดว่าในส่วนนี้ที่ท่านพระอาจารย์ได้กรุณาอธิบายมานะคะ uh huh. ที่ว่าไม่ควรจะยึดติด uh huh. ในส่วนนั้นคือให้ลมหายใจอยู่กับกาย uh huh. อยู่กับกายของเรา uh huh. แต่ก็ยังมีหลายหลายคนนะคะที่ uh huh. ยังถามว่าในวิญ ญ, ญาณที่เขา บางบางคนเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องว่ า, าทารกอะคะ mm hmm. ด้วยเจตนาก็ดีด้วยไม่เจตนาก็ดีที่เด็กที่จะโดนทำแท้งไป mm hmm. แล้วเขาก็ยังยึดติดอยู่ mm hmm. แต่ถ้ามาเจริญอาาปานัสติแล้วณ mm hmm. ตรงนี้ก็ไม่ควรจะยึดติดใช่หรือไม่เจ้าคะ mm hmm. แล้วก็แต่บางคนก็ยังคิดว่าตัวเอง ยังมีปัญหามีจิตวิญญาณที่จะต้องเหมือนวนมาเหมือนมาสิงเขาอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะคิดไปเองอย่าไปสนใจถ้าตรงนี้สามารถละได้แล้วก็เจริญณาปาญสติได้ก็คือหลุดพ้นได้เช่นใช่ใช่ค่ะแค่นั้นเองเาค่ะอนาปาแก้ได้ทุกเรื่องผู้เจ้ายืนยันว่าอนาปาญสติแก้อกุศลวิตกได้ทุกชนิดแค่เจริญอานาปาอย่างเดียวเป็นได้ถึงนิพพานค่ะอย่างนั้นก็จะอธิบายให้ ให้คนที่มีปัญหาให้ทราบแล้วมีบางท่านนะคะบอกว่าในส่วนหนึ่งของเวลาจิตสุดท้ายที่จะดับถ้าออกจากข้างบนก็จะกลายเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าออกจากข้างลางนน่างก็จะเป็นปสัตว์นั่นพูดเองพูดเองน ะ, นะจะค่ะไม่ได้มีคำพระศาสดารองรับนะแล้วมีบางท่านบอกว่าทำบุญไว้เยอะๆแล้วก็อธิษฐานจิตเบิกบุญมาแบ่งบุญให้แต่ คนโน้น <S <S คนนี้ได้ห ร, หรือไม่เจ้าคะผู้เจ้าสอนให้ทำบุญทำกุศลเนี่ยนะเพื่อให้จิตเนี่ยเกิดเกิดอนุสัยความเคยชินในเรื่องของกุศลนะถ้ายังไม่หลุดพ้นเนี่ยก็ยังได้มีโอกาสที่จะเกิดในพบกลุ่มที่ดีที่เป็นกุศลนะแต่ก็ไม่ได้ประกันว่าจะได้ร้อยเอร์ซนะนะถ้าประกันได้เนี่ยคือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป ส่วนเรื่องของการโลทิศบุญกุศลนั้นผู้เจ้าให้ทำด้วยการตั้งเจตนานะด้วยการที่ทำจิตให้ปราศจากนิวรณนะ์แล้วทำจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสูท่ทิฏฐิ 1, 2, 3, 4, นะ่ 1,2,3,4 สาก็จะเรียกว่าเบิกหรือเปล่าจะเรียกว่าอะไรหรือเปล่าก็ใช้คำของผู้เจ้าดีกว่าดีไหมนะจะได้ไม่ต้องไปงงเดี๋ยวไปคิดเหมือนธนาคารไปคิดก็ปรุงแต่งไปอีกนะ ผูชาบอกให้ทำจิตปราศจากอากุศล น, นิวรณหาเป็นอกุศลอันนี้จะเรียกว่าเบิกไหมนะก็แค่จิตเราเนี่ยไม่มีอกุศลแล้วทำจิตของเรานั้นประกอบไปด้วยเมตตานะแล้วแผ่ไปสู่ทิศที่1 2 3 4าแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบนืบ้องต่ำเบื้องขวางนะอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกาลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ี่ทิศโดยไม่ยากชันใด ในเมตตาเจตวิมุตติก็เหมือนกันนี่เรื่องของการแผ่เมตตาการอุทิศบุญบุญส่วนให้กับผู้ตายใช้เจตนาพราะองค์ตรัสว่าเราเกล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมสำเร็จที่เจตนาเจตนาโยมนะก็สำเร็จประโยชน์แล้วนะขอบคุณเจ้าค่ะตามาส ก, การพระอาจารย์ค่ะคือจะขอเรียนถามพระอาจารย์ จากที่ <c oughs> ได้ฟังซีดีคำเทศของพระอาจารย์นะคะจะมีพระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องการภาวนาด้วย <c oughs> ก็เลยสงสัยว่าการภาวนาที่พระอาจารย์เทศในในซีดีอันนั้นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าจากที่ ท, ที่ปฏิบัติเคยปฏิบัติจากสถาบันอื่นที่พระอาจารย์ ไ ด, ได้ได้สอนว่าสภากัอื่น เ, เวลานั่งเนี่ยจะใช้คําภาวนาว่าพุโทโธหรืออะไรแต่ว่าของออพระอาจารย์ที่ได้เทศว่าการภาวน า, อ, าอันนี้ใช่คือการดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรื อ, อเปล่าหว่าหมายถึงอย่างอื่นเจ้าคะการภาวนาคือการทําจิตให้เจริญขึ้นคือการมาปฏิบัติมัชมีองแปดมัชมีองคปดเนี่ยคือพรหมจันทร์คือการฝึกกายวาจาจิตแบบนี้ แบบนี้แบบไหนแบบที่ศาสดาบัญญัตินะสสดาเคยบัญญัติเรื่องคำบริกรรมไหมไม่เคยไม่เคยอาตมาก็าไม่เอามาสอนมันก็แค่นั้นเองเพราะพระศาสดาตัดไว้ให้ศึกษาแต่คาพระศาสดาเราศึกษาคำสาสดาผิดอะไรเอาคำสาสดามาประกาศผิดอะไรใช่อาตมาทรงจําคำสาสดาได้และพูดบอกในคำสาสดาออกไป ใครที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำาศาสดาก็แก้ไขสิไม่ใช่มาคัดค้านคำาศาสดาหรือว่ามาสงสัยในคำาศาสดามันก็แค่นั้นเองง่ายๆใช่ไหมเพราะนั้นเราก็บอกสอนมรรควิธีที่ศาสดาบัญ ญ, ญัติเช่นอนาปานาสติน ะ, ะหรือกายยคตาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทนะรู้ลมหายใจเข้าออกละอากุศลสัมมาสังกปะ สัมมาวาจาอย่าพูดโกหกคำหยาเพรอเช อ, อส์โเสียมทำได้เลยมักแ8ดเนี่ยหยิบไปทำได้เลยเดี๋ยวนั้นเลยนะสัมมาทิฏฐิเห็นเกิดดับยมค่อยเห็นโกรธเกิดดับดีใจเกิดดับพอใจเกิดดับความคิดความจำเกิดดับนี่สัมมาทิฏฐิแล้วนะทำการงานชอบความเพียรชอบก็เพียรละอกุศลเพียรสร้างกุศลอกุศลคืออะไรผู้เจ้าจัดการปฏิบัติเวทเพียรกุศลคืออะไร สติปัฏฐานสี่รู้ลมหายใจเข้าออกผู้เจ้าอธิบายสติปัฏฐานสีด้วยอาณาปานสติการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยชื่อว่าสติปัฏฐานสีบริบูรณ์นะมาเจริญฌานหนึ่งสอสาสี่ตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุตฌานะสะสรัศสาตัดไว้ในมัชฌิมโยงแปดฌานสี่ทำอย่างไรละอกุศลได้ฌานหนึ่งละวิตกวิจารได้ฌานสองเกิดปิติละปิติได้ได้ฌานสาม มีสุขในสมาธิละสุขได้ได้ชัญนสี่ก็ตรงๆงธรรมดาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคบคุณเจ้าค่ะเอเอตันนี้จะ เ, เรียนถามพระอาจารย์พอดีเพื่อนเขาฝากถามมานะคะในเรื่องของการทำทานเ <ทำ S 1> จ้าค่ะ <ทำ S 1> คื อ, อ, อเออการการเท่าที่รู้มาเนี้ยนะคะการทำ หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานเนี่ยก็เป็นบุญอย่างหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้คือเพื่อนอเพื่อนเขาอยากทราบว่าคือเขาทําตําราเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยแจกฟรีเพื่ออุทิศให้กับอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งไหมแล้วก็อุทิศให้กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะได้ไหมอะไรค่ะธรรมะคือธรมธรมะธรรมธรรมทานเนี่ยธรรมะของพระศาสดานะ พระธรรมพระสาสดาเป็นอากาลิโกเป็นคำที่ประกอบด้วยปฏิหารผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยเอาไปปฏิบัติตามเนี่ยจิตหลุดพ้นได้ตำรา ก, กฎหมายใครแต่งอะมนุษย์แต่งใช่ไหมเป็นอรันต ส, สัมมาสังพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่มันมีข้อผิดอยู่ในนั้นกฎหมายคนบัญญัติมาทั่วโลกเนี่ยอากาลิโกหรือเปล่าเห็นเข้าสภาเปลี่ยนต้องปรับปรุงกันอยู่ตลอดเวลาเลยทั่วโลกไปเยอะ ใช่ไหก็มันเป็นเรื่องของเรื่องของโลกที่จะแจกจ่ายความรู้กันไปแต่ความรู้นั้นไม่ใช่อาการลิโก้ความรู้นั้นพ้นจากแก่เจ็บตายไม่ได้ก็คือว่าจะลักษณะเป็นวิทยาทานไม่ใช่เป็นความรู้ทางโลกทั่วๆั่วไปเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ กับพระอาจารย์เจ้าค่ะพอมีเวลาเหลือใช่ไหมเจ้าค่ะคือคืออ่าก็เป็นลูกศิษย์ต้นๆของพระอาจารย์นะคะคือคือมีความภาคภูมิใจมากที่ที่บอกทุกคนว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพู้ไเจ้าแล้วของพระอาจารย์คริสต์นะเจ้าค่ะก็ฟังฟังพระอาจารย์มาตั้งแต่ต้นๆเสร็จแล้วรู้สึกต่าเองอ่าแน่นแล้วเลยต้องปฏิบัติไปปฏิบัติก็ไปวัดนู้นวัดนี้โอ้เราก็ยึดคู่บ่ายจารย์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์คริสต์ไม่ได้ว่าอย่างนี้ เป็นตีเข้าสมุดนั่นก็ไม่ขาทานนี่ก็ประกาานไม่ดีเราดีอยู่คนเดียวเลยเข้าใครก็ไม่ได้รสึกเก่งอยู่คนเดียวก็อย่าอย่าอย่าไปนึกว่าเรานึกถึงอาจารย์เคลมิเรานึกถึงพระพุทธเจ้าใช่เจ้าค่ะใช่ไหมแต่แล้วก็ดูตัวเองก็เป็นการจับผิดนะเจ้าค่ะเป็นอกุศลทั้งหมดอันนั้นก็ไม่ใช่นี่ไม่ไม่ขอทานไปปรมาก็คงไม่ได้อะไรอสุดท้าก็ต้องต้องเรียนมหาภาใจอีกทีก็ก็ก็กะล่าวเรียนทุกคนว่าเออก็ อะไรก็แล้วแต่อย่าอย่าอย่าอย่าเป็นการจับผิดก็แล้วกันออย่าจ้องผิดนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ก็จะนําเสนอความก้าวหน้านดยวเจ้าค่ะก็คงจะเป็นอีกอีกอีกวักหนึ่งคงจะได้กล่าวเป็นพี่จารย์เป็นเป็นเรื่องเป็นาวนะเจ้าคะมีเรื่องที่จะเรียนถามพี่จารย์หลายเรื่องเจ้าค่ะอ่าค่ะกับคุณน้าเจ้าค่ะอ่ก็เราก็ปฏิบัติของเราแหละแล้วเราก็ ถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันทุกคนแม้แต่พระทุกองค์ก็ต้องคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นสมณศักยปุตรยะไม่ใช่สิทธิ์ของใครสิทธิ์เป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมณะในศักยตระกูลผู้เจ้าบอกเลยว่าถ้าเขาถามว่าเธอเป็นใครนะให้เธอตอบอย่างนี้ไม่ใช่สิทธิ์ของใครนะลูกลูกสิทธิพระพุทธเจ้านะอ า, อาจารย์คาริฉัก็เป็นนะคะหลังจากที่ได้มาศึกษาธรรมะนะคะอยากว่าอาจารย์แล้วก็ ได้อ่านพุทธ ว, วจนะเนี่ยที่ฉันทำไม่ได้ฉันอาจจะมองอะไรมีอคติพอสมควรแต่สมัยก่อนเนี่ยเรามองพระพระสงฆ์นะคะ uh huh. ก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง uh huh. นะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างพระสงฆ์รับเงิน uh huh. นี้ก็ไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าเป็นบาปหรือไม่ uh huh. ที่บอกว่าไม่รู้สึกว่าไม่ดีเลย uh huh. uh huh. นะฮะตรงนี้นะแล้วหลายอย่างที่อมองว่า พระสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเนี่ยาาก็จะอคติกับพระสงฆ์องค์นั้นเหมือนกันเนี่ยก็จะกลายเป็นอย่างนี้คือใจก็จเป็นอย่างนี้คือธรรมดาเราเราเกิดมาในยุคที่ที่ความผิดมันมากกว่าความถูกแม้แต่พระสงฆ์ด้วยกันพระเจ้าบอกว่าถ้าสงฆ์ที่ไม่ดีมีมากกว่าสงฆ์ที่ดีก็ต้องนั่งนิ่งก้มหน้าคอตกซบสาวท่ามกลางสงฆ์เหมือนกันนั้นเราเกิดมาในยุคที่อ คำผิดมากกว่าคำถูกนะ ก, ก็มองเป็นธรรมดาเพียงแต่พระเจ้าเนี่ยให้ขยายคนที่ถูกต้องให้มากขึ้นเราก็เอปัสสิโกนะชี้ชวนชักนําให้คนเนี่ยได้มารู้คําพระศัสดาได้มารู้ธรรมวินัยที่ศัสดาบัญญัติแนะนําทั้งพระทั้งคารวาสนะนะแนะนำพระก็คือถวายหนังสือซีดีที่เป็นพุทธวัจนะคําศาสดาท่านจะปฏิเสธยังไงใช่ไหม เพราะว่าหนังสือเราไม่มีคําอาจารย์ ค, คลิกลิศไม่มีมีแต่คำพระพุทธเจ้ายมจะถวายใครก็ได้พระไม่มีสิทธิปฏิเสธคําศาสดาตัวเองเลยใช่ไหมท่านก็จะได้ศึกษาได้อ่านเพราะว่าหนังสือพุทธวจนะล้นล้นเนื้อหายากอยู่น ะ, ะแต่เราก็ไม่ตําหนิใครเราก็มองธรรมดาเพราะเราก็ก็เคยผิดมาก่อนใช่ไหมแต่พอเราเราเดินตามพระศาสดาตรงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นถึงถึงความบกพร่องต่างๆทีม่มันเกิดขึ้นเยอะ ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆช่วยกันนะดวงอาทิตย์ฉายแสงขึ้นมาหิ่งห้อยก็จะค่อยๆ อ, อ, อับแสงไปโดยอัตโนมัติคําที่แต่งขึ้นใหม่ก็จะหมดราคาไปเรื่อยๆเพราะไม่ใช่คําของพระผู้มีพระภาคเจ้านะอ่าและโยมก็จะเป็นหนึ่งในรัตนาหผู้ประกาศคําตถาคตนะเป็นรัตนะที่หาได้ยากในโลกบุคคลที่หาได้ยากในโลกคือบุคคลผู้ประกาศคําตถาคตใช่ไหมอ่านะเราไม่ประกาศคําของใคร ครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะมีชื่อเสียงกันกี่ร้อยปีณวันนี้โยมรู้จักครูบาอาจารย์ยุคลอห้าไหมไม่รู้จักรู้จักครูบาอาจารย์ยุครัชกาลที่หนึ่งไหมไม่รู้จักนะแต่โยมยังรู้จักพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ยุคนี้จะมีชื่อเสียงไปอีกกี่ร้อยปีอยูทุกคนก็จะหมดชื่อเสียงไปใช่ไหมอ่าจะมีคนใหม่ขึ้นมาทดแทนทดแทนไปเรื่อยๆแต่จริงๆต้องพระพุทธเจ้า เรื่องการรับเงินทองก็มีปัญหาตั้งแต่ราชกาลที่หนึ่งได้บันทึกไว้ราชกาลที่1เห็นปัญหาว่าพระยุคนี้รับเงินทองกันเยอ ะ, ะแล้วการฉันสองมื้อก็สังเกตได้จากราชกาลที่1ยังถวายอาหารแค่มือเดียวถวายอาหารเช้าถวายน้ําปนะตอนเย็นอสองมือมันเริ่มมาใกล้ๆนี่เองนี่เห็นไหมและในครั้งพุทธการก็ฉันมือเดียวด้วยพระเจ้าประชุมสงฆ์ครั้งแรกสั่งงดมื้อกลางวันประชุมสงฆ์ครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็น พระอุทายีนี่เดือดร้อนมากนะและได้มากล่าวต่อหน้าพระ พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพงศ์ไม่พอใจเลยที่ผู้เจ้าทําอย่างนี้นะแต่ด้วยความ <c oughs> ความรักความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้านะก็เลยอะทําก็ทําทีแรกก็ทำเพราะฝืนใจไปนะด้วยความรักเคารพแต่พอทําไปก็เริ่มเห็นประโยชน์น ะ, อ, ะอย่างเนี้นั่นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันมันถูกเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ เรากำลังจ ะ, ะดึงให้พุทธบริษัทเนี่ยกลับไปสู่คำพระศาสดาร้อยเปรเซนต์ล้วนๆคำพระศาสดาร้0รล้วนๆเนี่ยมีอะไรบ้างและศึกษาตรงนั้นภาวนาตรงนั้นปฏิบัติตรงนั้นเราไม่ต้องการแจกข้อมูลผิดให้กับญาติโยมอยากให้ญาติโยมเนี่ยได้สิ่งที่ถูกต้อง1้0ไปแล้วก็ให้ข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมเพื่อเอาไปตรวจเองได้บอกหลักการวิธีดูวิธีสังเกต นะทําโปรแกรมให้ในการสแกนตรวจคน้นให้ค้นได้เร็วขึ้นไม่ต้องคอยพลิกหนังสือทั้งตู้อย่างนี้นั้นเราก็ทําให้หมดทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยยืนบนขาของตัวเองได้ไม่ต้องคอยพึ่งอาตมา ก, ก็ได้ตรวจเองเลยใครมีความเพียนมากเท่าไหร่ก็จะแตกฉานขึ้นเท่านั้นแต่ขอให้แยกแยะนิดนึงว่าคำพัสสาสดาเท่านั้นโยมจะได้คําตอบทุกเรื่องนะ ก, การกนมัสการกานมัสการพระอาจารย์อีกครั้งค่ะพอดีที่เมื่อกี้ <c oughs> เพื่อนถามเรื่องพระสงฆ์ที่ว่าก็เลยสงสัยขึ้นมาเหมือนกันนะคะคือที่พระพระสงฆ์เดี๋ยวนี้ที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้าเยอะมากอย่างที่ดีฉันเคยไปตามสถาบันอื่นก็ยังมีพระสงฆ์ที่ออขอกับ ขอของกับอุบาสกย่งอาจจะขอวิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่ที่ที่สถาบัน น, น, นั้นสอนก็บอกว่ า, อ, าอย่าว่าสงาไม่ว่าสงผู้นั้นน่จะจะทูสินหรืออะไรก็อย่าว่าเป็นการบาปาแล้วให้ขอขมาการพพรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทุกวันเพราะว่ามันบันมี พลาดพางบ้างเราเราเหมือนกับว่าจิตไปคิดไม่ดีหรือหรือพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าหมายถึงสงฆ์ที่ศีลบริบูรณ์นะศีลที่ไม่บริบูรณ์เนี่ยยงไปดูคํานิยามของสงฆ์สาวกของพระาศาสดานะคือขั้นต่ำนี่คือศีลบริบูรณ์มันถึงมีเป็นผู้มีศีล <c oughs> สมบูรณ์ด้วยปฏติโมคสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร 3มระบบเป็นผู้มีสินนะคือสินในกลุ่มแรกที่บัญญัติก่อนปฏิโมห้ามดูหมอดูเลิกดูยามปลุกเสกเรียกดันจัดไว้เป็นสิบสิ บ, สบหน้ากระดานนะนะ <c oughs> สมบูรณ์ด้วยปฏิโมนะนะปฏิโมเป็นสินอันเป็นเบื้องต้นแห่งประมจันพระศาสดาบัญญัติเอาไว้เป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัตินะมักแอย่างนี้นะนั้นศินปฏิโม พระอริยบุคคลจะเป็นผู้มีศีลมั่นคงและยั่งยืนถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรซึ่งเป็นสี่ขาบทอีกเป็นพันๆข้อนะที่พิสูจ์ต้องถึงพร้อมนะและอริยบุคคลเนี่ยอาจบกพร่องได้นะเพราะไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพเพราะการบรรลุโลกุตตรธรรมด้วยพระเหตุสักว่าพิสูจนต้องมีศีลสามกลุ่มนี้ที่ผู้เจ้าบัญญัติสงสาวกของพระองค์หมายถึงอะไร ถึง ส, สกลุ่มเนี่ยบริบูรณ์นะ เ, เข้าสมาธิระดับรูปสัญญารูปสัญญาได้เป็นโสดาสกิทาคานาคาพระหารัานเจ็ดระดับนะหรือบอกสีระดับตั้งแต่โสดาบันสกัตาคานาคาพระหลานอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสงยอมต้องจัดให้ถูกก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะถ้ายอมไปตําหนิสงที่ <c oughs> ท่านบริบูรณ์สิทนะ่านไม่ได้มีข้อผิดอะไรอันนั้นแหละใช่ไหมแล้ว ถ, ถูกต้องไหมคะที่ว่า บางเอิญถ้าเราไปตำหนิสงที่คุบริบูรณ์แล้วแล้วการสอนที่ว่าต้องมาขอขอมากรรมทุกวันพระพุพะทธธรรมพระสงค์อันนี้ก็ไม่มีอะแค่เราละความเพลินละอกุศลไปแค่นั้นเองนะขอบพระคุณเจ้าค่ะสัมสมาสังคัปปะทำข้อเดียวเนี่ยทิ้งอกุศลนะ ม, มันไม่ยากเย็นปานนั้นหรอก <c oughs> 9ก้าโมงแล้วขออนุญาตให้พระอาจารย์ชั้นฉันอาหารกันนะฉันกันนะหลังฉันก็นกนมีต่ อ, อ, อ, อเดี๋ยวแค่กลับมาเดี๋ยวไปฉัน <c oughs>